ตาค่ะตอนนี้ไม่ไม่ค่อยห่วงใยลูกหลานนะคะแต่ว่ามันหันมาห่วงใยสังขารตัวเองอีกแล้วแล้ ว, แ, ลวแบบเหมือนกับมันกังวลใจกับกับร่างกายแล้วมีเศร้าหมองปนอยู่บ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบจะแก้ด้วยวิธีไหนปล่อย ว, วางไม่ได้หรอเอ๊ะร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยง ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เวทนาตัณยานักข่าววิญญาณก็ไม่ของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเป็นร่างกายที่มันมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นร่างที่ถูกเปลี่ยนถ่ายร่างมาไม่รู้กี่ร่างแล้วถึงแม้เราจะหวงยายมันยังไงกลัวว่ามันจะเป็นไปยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องถ่ายมันก็ต้องลอกคาบอยู่ดีนะเหมือนงูลอกคาบอ่ะมันต้องถูกลอกคาบไปเปลี่ยนถ่ายร่างไปเราเคยกลั ว, ว, วาตายแบบเนี้ยไม่รู้กี่ชาติมาแล้วแต่ก็ต้องถูกลอกคาบไป ได้วยอำนาจของอริจังทุกขังอำนาจตามันก็ต้องถูกลอขภาพแทนที่เราจะไปกลัวมันแล้วกับเอามาเป็นประโยชน์คิดวิจารณ์เห็นความจริงให้สิ้นความคิดบ้านถึงบ้านปล่อยวางมันปล่อยวางมันเมื่อเราปล่อยวางสังขารกายปล่อยวางสังขารจิตมันก็ไปถึงใจที่ว่างเปล่าที่มันมีตัวตนนั้นแล้วมันก็จะเป็นอมาตะเป็นใจที่ว่างเปล่าอย่างเป็นอมาตะอันนั้นจะดีกว่าอันนั้นคือจิตเดิมแต่แท้ของเราเลยคือใจทั้งเดิมแต่แท้ของเราเลยเป็น ใจที่เป็นความบ้างเปล่าอย่างเป็นอมตะแต่เพความหลงเป็นอวิชามันก็ไปยึดนั่นยึดนี่ยึดยึดเอาไอ้ร่างกายในแต่ละาพบชาติเป็นเราเป็นตัวเราแต่เราก็ต้องทิ้งมันไปแล้วก็เปลี่ยนถ่ายร่างไปเรื่อยเราก็ไม่เข้าใจตั้งตีตั้งชาตินึ้นพอเกิดชาติใหม่ก็ไปยึดเอาร่างใหม่พอเกิดชาติใหม่เอาร่างใหม่ไปยึดเอาร่างสัตว์เดรัจฉานสัตว์ปีกหนอนแมลงเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรายึดเอาสัตว์เดรัจฉานเปตเอาตัวร่ากายสัตว์นรกเป็นตัวเราเป็นตัวตน รูปร่างใหม่ยึดอมามารูปรูปร่างใหม่ปเป็นเราเป็นตัวเราปเาป็นตัวตนของเราเลื่อยไปทุกชาติแต่ลืมไปทุกทีเอาไว้ร่างเหล่านี้ยมันเน่าไปมันแตกดับทําลายไปทุกชาติแต่เราแท้จริงอะ่ะมันคือจิตตั้งเดิมแท้หรือใจตั้งเดิมแท้หรือวิญญาณตั้งเดิมแท้ที่มันเข้ามาประสมอันเนี้ยมันมาจากความว่างตัวตนมันไม่มีหรอกมาผสมเสร็จก็มีมีนามมีลูกขึ้นมานามก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาและก็มีลูกขึ้นมาแต่แล้วมันก็แตกดับสลายไปทุกร่างเนี่ย แต่ไ อ, ไอไจิตวิญญาณที่มาเข้าล่างอ่ะมารวมอยู่ในล่างมารวมในธาตุดินน้ําลมไฟมารวมกับสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่มันไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายนะอัเนี้ยมันแตกดับทําลายไม่ได้มันก็จะต้องออกไปอีกมันออกไปด้วยพร้อมใจที่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์แค่นั้นแหละไอ้ใจเนี่ยใจที่เดิมแต้หรือวิญญาณแต้เนี่ยมันไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายหรอกมันแ ต, แตกดับทําลายเฉพาะไอ้ร่างกายนี้แล้วก็ เวทนาสัญญาสังขาวิญญาในส่วนที่เป็นติดมากับร่างกายนี่คือเป็นสิ่งติดระบบต้องใช้ระบบสมองพอระบบสมองแตกดับทำลายไปไอ้ส่วนที่ต้องใช้ผู้ต้องใช้เชื่อมโยงกับระบบสมองระบบร่างกายมันก็ดับไปด้วยเวทนาสัญญาทั้งขาวิญญ า, ญ า, ญญาดับไปบเพราะอะไรเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันดับเงี้มันเน่าตาก็เน่าหูก็เน่าจมูกก็เน่าลิ้นก็เน่าไอประตูใจที่ติดอยู่กับอหัวใจก็เน่า ตัวอย่างอเน่าหมดเมื่ อ, อไรล่เมื่อประตูเน่าหมดแล้วไอ้ตัววิ ญ, ญญาณอขานเนี่ย ม, มันก็หมดสิทธิ์ที่จะใช้ประตูได้เพรอวิญญาณอขานมาเนี่มันจะต้องรู้ผ่านประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเมื่อเน่าหมดเลยประตูเน่าหมดแล้วไอ้วิญญาณขานก็ทํางานไม่ได้มันก็เลยต้องดับไปพอวิญญาณดับคนนั้นเน่ยเวทนาก็ทํางานไม่ได้สัญญาก็ทํางานไม่ได้สังขารก็ทํางานไม่ได้เพราะว่า วิญญาณาขันเนี่ยมันไปนรับรู้อะไรปุ๊บทางตาหูจหมูลิ้นกายใจมันก็นส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นเจตสิกถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆจาได้หมายรู้แล้วก็ส่งต่อสังขารคือคิดปรุงปรงคิดเมื่อวิญญาณรับรู้ไม่ได้เวทนาก็ทํางานไม่ได้สัญญาก็ทํางานไม่ได้สังขารก็ทําทงานไม่ได้เลยดับหมดเลยและร่างกายก็เน่าแล้วและสุดท้ายขาดทั้งห้าดับหมดนี่คือธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้ทุกชาติแต่เมื่อไม่เข้าใจ มีความทุกข์กับการยึดภายนอกร่างกายเราหรือยึดเป็นห่วงใหญ่ร่างกายเราทึ่กลัวตายร้องหม่มร้องไห้ทุกข์จนเสียใจแต่สุดท้ายก็ตายด้วยกระเสือกกระสนด้วยความทุกข์นี่แหละแล้วก็กระเด็นออกไปไปนอกร่างเพราะอะไรไอ้ใจหรือจิตเดือแทรหรือวิญญาณนั่งเดือแทรแทมันไม่แตกดับไม่ทําลายแต่มันเนี่ยมันออกไปพร้อมกับความทุกข์สิมันออกไปพร้อมกับความทุกข์ที่ยึดเนี่ยมันไม่ดับอันเนี้แล้วก็ออกไปกระเด็นเหมือนกายปร่งแสงมานั่งร้องไห้อยู่น่ะ อยู่ข้างนอศพตัวเองแม้แต่ไปงานศพตัวเองก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ในงานศพตัวเองรอให้โยมมาทูตมาลากออกไปเอาสามง่ามาแทงเอาไปเพราะอะไรมันออกไปด้วยความทุกข์เพราะว่าไปวิญญาณเนี่ยมันไม่ดับใจลิจิตเดิมแท้วิญญาณเนี่ยมันไม่ดับแต่มันไม่ไม่ดับเพราะว่ามันเนี่ยถูกเขาเห็นตัวได้ก็เพราะว่ามันยังยึดอะไรไว้มาเลยมันเลยมีตัวมีตนให้เขาเห็นได้เป็นรูปร่างกายโปร่งแสงแต่มันไปพร้อมกับความทุกข์ที่นี้มันน่าสงสาร เวลาไปในงานศพมานั่งร้องไห้ในงานศพตัวเองอไปกลายปร่งแสงมานั่งร้องไห้ในงานศพตัวเองทุกมากเลยแต่ขันหน้ามันดับมปแล้วไงรูปก็ดับไปแล้วเน่าไปแล้ววิญญาณก็ไม่อาจรับรู้รูปทางตาหูจมูลิกายใจได้มันก็เลยดับไปด้วยสรงต่อเวทนาสัญญาตั้งขานไม่ได้เวทนาสัญญาสังขันก็เลยดับไปด้วยดับหมดเลยขันหน้าดับหมดแต่ความยึดไม่ดับเป็นทุกข์ไม่ดับสิมันไอตัว วิญญาณนั่งเดิมแทนหรือจิตดั้งเดิมแทนมันก็เลยกระเด็นออกจากกลางไปไ ป, ไปกายโปร่งแสงไปนั่งร้องไห้อยู่นั่นเนี่ยทุกโตกเศ้ารอเข้าสำนัามมาแทงก็ไปลากก็ไปเปลง่งเปลง่ปลงเพราะอะไรความยึดมันไม่ดับตัวตนมันก็เลยยังให้ถูกมองเห็นได้ทําความสิ้นยึดมันหมดไปความทุกข์ก็หมดไปจิตดั้งเดิมแตแท้มันเป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติยมาทูตก็หาตัวไม่เจอ บาป ก, กรรมทั้งหลายก็ให้ผลไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดก็จบลงเพราะว่าไม่มีตัวตนที่จะไปว่ายตายเกิดถ้าจิตหรือวิญญาณดังเดิมเป็นแท้ไปยึดอะไรเข้าไปติดอะไรเข้ามันจะต้องมีตัวตนให้เหลืออยู่ให้เขาจับได้มันเปรียบเหมือนอย่างนี้มีหนังการ์ตูนเรื่องนึงสมัยก่อนเนี่ยเราก็ชอบอธิบายเรื่องตรงเนี้ย ม, มันชัดเจนดีคือเปรียบเทียบได้ชัดเจนดีคือหนังการ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยเรื่องศัจธรรมจาระสติเฟื่องระดูงแต่นเด็กอะ แต่จําได้ศาสตราจารย์สติเฟื่องก็ผสมสารเคมีผสมไปผสมมาผสมไปผสมมาแล้วก็ไปผสมไปผสมสูตรอะไรก็มาปองก็มาแล้ ว, ลวดื่มไปหายตัวได้เอนักกระตูนะดื่มปุ๊บหายตัวได้พอหายตัวได้ก็เลยอาเกิดความคิดชั่วร้ายว่าถ้าเราหายตัวได้เงี้ยเราไปลักของอะไรเขาทั่วไปไม่มีใครจับเราได้เลยตอนนี้ของเขาหายไปทั่วเลยไม่มีใครจับได้ตอนนี้เขาอะไรสงสัยว่า เออของมันหายไปแต่จับตัวไม่ได้จับตัวคนร้ายไม่ได้ก็ เ, เลยสงสัยว่าคนร้ายนี่หายตัวได้เพราะว่าของมันหายอยู่บ่อยๆบางทีมันเห็นของลอยไปแต่จับตัวคนร้ายไม่ได้ไม่มีตัวคนจะหาทางจับตัวคนร้ายก็จับไม่ได้จะทํำยังไงเขาก็เลยหลอกจัดงานแสดงเพชรอัญมณีขึ้นมาแล้วก็เอาไว้สีแดงลาดพื้นไปหมดเลยปิดประตูไว้แล้วก็เอาสีแดงลาดพื้นไว้ เอไอ้ตัวมนุษย์ลองหดมันก็เดินเข้ามามันก็เดินเขาคิดว่าไม่มีใครเห็นตัวมันสบายนะมันก็เดินเข้ามาแล้วก็มันก็ไปยิมเพลสแต่เท้าที่มันเดินไปเนี่ยมันติดสีแดงมันไม่เห็นตัวแต่เวลามันยกเท้าขึ้นสีแดงก็ลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงก็เป็นสีแดงที่ติดพื้นลอยขึ้นลอยลงแต่ตัวมันมองไม่เห็นแต่สิ่งที่มันติดกับมันเนี่ยมองเห็นเขาเลยจับได้พอฤทธิ์ยาหมดปุ๊บมันเลยเดินเข้าตลาด แบบเดียวกันจิตเดิมแท้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ล่องหนนี่แนะ่จิตหรือใจดั้งเดิมแท้หรือวิญญาณดั้งเดิมแต่ของคนเราเนี่ย <st arts> ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลย <st arts> เหมือนมนุษย์ล่องหนนี่เลยไม่มีใครเห็นตัวเราได้หรอกแต่พอไปยึดอะไรเข้าไปติดอะไรเข้าไอ้สิ่งที่มันติดเนี่ยมันทําให้มันไม่ดับเหมือนในมนุษย์ล่องหนที่มันติดสีแดงเท้ามันเหยียบสีแดงไปมันก็ยกขึ้นยกลงยกเลื่อนเลยเขาก็ตะคุบมันไว้รอจนกว่า ยามันจะหมดฤทธิ์เขาก็จับมันได้อันเนี้ยอันเนี้ยมันก็เลยพอไปยึดไว้มันก็เลยหายตัวไม่ได้ไนะทํามายึดปุ๊บมันก็หายตัวไปใครไม่มีใครเอาไปได้แล้วก็โยมบรรทุกก็เอาตัวไปไม่ได้จเจ้ากรรมนเวททั้งหลายก็ให้ผลไม่ได้ก็เลยเป็นโมคะกรรมไป <S <S เราจะไปยึดยึดทําไมลราสังขารร่างกายมันยึดไม่ได้เรายึดได้ตายมันก็ต้องดับแตกดับมันถ่ายล่างไปเรื่อยเราแท้แท้มันคือในจิตหรือวิญญาณทั้งดั่งเดิมแท้แ่ที่มันหายตัวได้นั่นแหละ เราไม่ใช่ขันหา้านี้เราจะไปกลัวทําไมว่าขันหา้ามันจะตายมันจะได้กลับคืนสู่จิตตั้งเดิมแท้หรือใจตั้งเดิมแต่แท้ที่มันหายตัวได้เรามาห่วงใยกับอะไรสังขารที่มันแก่ลงทุกวันแก่ลงทุกวันมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะตายมันจะแตกดับเป็นทุกชาติทุกชาติเราจะไปยึดถือมันทำไมเราก็กลับเพื่อจะกลับคืนสู่จิตตั้งเดิมแต่แท้ที่หายตัวไปเป็นอย่างเป็นอมตะนิพพานางปลมังสูญอย่างเป็นนิพพานนิพพานางประมังสูญอย่างนี่ เป็นความศูนจากตัวตนศูนย์จากความคิดมั่นถือมั่นนิพพานังปลมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างเป็นอมตะนะสุขในมัจจาว่าไปเสพสุขอะไรหลับสุขพอสิ้นทุกเหนือสุขเหนือทุกอีกจึงเป็นสุขยิ่งกว่าสุขอีกนะสุขยิ่งกว่าสุขคือเหนือสุขเหนือทุกเป็นสุขเพราะความสิ้นความยิดมั้นถือมั่นที่เป็นนิพพานังประมังศูนอย่างนิพพานังปลมังสุขขังเป็นอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าไป ร่างกายเราไปอ่วงยายกลัวมันจะแก่จะเจ็บจะตายมันไม่ใช่ของจริงอะนะนี่เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บจ้ตายไปห่วงใยมันทำไมเรามันอยู่ในร่างกายนี้เจ็บป่วดเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอเดีย๋ยวไปผ่าตัดไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็ต้องไปถูถกทําฟันมาอย่างเมืม่วานนี้เราไปทําโดนทําฟันมาสามซี่ <c ười> คุณหมออุตสาหเมตตาพาไปทําฟัน hey, 4. ไอ้สามซี่เห็น เอ้ยร่างกายมาเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ต้องไปโู่น ไ, ไปนี่ไปทําฟันไปผ่าตัดไปหาหมอไปนอนไอซูเฮ้ยไปห่วงยาไปทําไมไอ้ร่างกายเนี้ยกลับคืนสู่จิตเดิมดแต่ที่มัมีตัวตนดีกว่าไม่ดีกว่าแล้วนวัตแตงนะั้นอ่ะดีไหมอ่าเอาไม่พูดต่อด้ว่ายังไงเคลียร์ไหมล่ะอ่าพูดต่อได้หนวันพูดต่อเดียเด๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวให้กับพูดต่อกัอนอ่ะไม่เคลียร์ก็เอาซักให้ละเอียดเ ข, ข, ข้าใจนะค่ะลุงตาเข้าใจเนอะ อืมไปห่วงย้ายหรอกน่าจะห่วงย้ายว่าเขาจะลากเราไปได้สิถ้ามีตัวตนน่าห่วงใยตรงนี้มากกว่าเออพอตายแล้วเขาากเราบุเรงบุเรงไม่ได้เนี่น่ากลัวกว่าเราเห็นไม่รู้กี่ศพจะกี่ศพมานั่งเราเหมือนพวกเรานั่งกันตลอดเนี้ยเราเลยเบื่อไปงานศพมากเลยเพราะอลไรเจอศพมานั่งร้องไห้เป็นแถวเลยนึก ว, นะ ว, ว่าอาจารย์จะมาเผาเธอทาไมวะเนี่ยปฏิบัติทําไม่ได้เรื่องเลย นั่งร้องไห้เงี้ยงงีเงยอาจารย์ฝากครอบครัวด้วยฝากลูนฝากนี่ด้วยถ้าเราลับฝากเราตายแน่คนค น, นี้ก็ฝากคนนี้ก็ฝากว่าะจะตายแล้วมันฝากกันใหญ่แล้วพอเตด็จแล้วก็บอตายแล้วก็เป็นผีร้องโหมร้องไห้อยู่นั่นแหละแล้วก็เฮ้ยอาจารย์จะม า, าเผาตัวทําทไมวะเนี่ยเวลาพอเขาเขาสวดศพเสร็จเนียเธอก็เป็นผีอยู่ในในวัดเนี่ยแล้วเขากลับไปบ้านกันหมดแล้วเธอจะอยู่ยังไงวะเนี่ยอาฉันก็นึกไม่ออกเลยเนี่ยสงสารเธอจริงๆ แล้วเก็มาร้องห่มร้องให้อย่างเงี้ยถ้าเป็นมนุษย์มันยัตามมันก็เข้าไปได้ไปคุยโน่นไปหาทำโน่ทนทํานี่ไปช้อปปิ้งไปสนุกสนานไปเมาจอยกับคนนั้นคนนี้ไปเล่นเกมโทรศัพท์มือถือไปเล่นแชทเล่นไลน์ไปดูโทรทัศน์ไปทำโน่ทนทํานี่มันยังสนุกสนานได้อ่าในโลกลั้นนะไม่มีเลยสักอย่างเดียวแบบเนี้ยเอาแต่นั่งร้องให้อย่างเดียวแล้วชีวิตเธอที่อยู่ยังไงวะเนี่ยแบบเนี้ยมันเบื้องหลังการตายนี่มันทุกข์หนักหนาสหาหัสกว่าตอนมีชีวิตอยู่อีก คนไม่รู้นะเนี่ยทุกมากเลยมันเคยมีคนผูกคอตายอ่ะตอนนั้นน่ะคนผูกคอตายแล้วก็เราก็ไอ้อติ๋วก็ไปไปงานศพเขาระหว่างที่ตรวจศพเนี่ยไอ้ถึงวก็ตะกิ้เราบอกว่าคนตายมันมาที่บ้านมันมาในงานศพนี้ไหมเราบอกไม่มาหรอกมันอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันมานี่ไม่ได้มันเป็นผีขี้กลัวมันออกมาไม่ได้เลยทำไมบอกบ้านหลังนั้นมีรูปร่างยังไงเราไม่เคยไปหรอกแต่ติ๋วก็เคยไป ว่าเราบอกว่าบ้านเราหน้ามีรูปร่างมีแบบนี้งี้ยเงียอ๋อบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่มันเนี่ยฆ่าตัวตายแต่เขาเอาศพไปเอามาเผาอีกบ้านหนึ่งบ้านบ้านพ่อแม่หรือไงแต่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่มันอยู่กับเมียแล้วก็ฆ่าตัวตายที่บ้านหลังนั้นเออบอกมันอยู่มันอยู่ที่บ้านหลังนั้นเน่ยมันไม่ได้มานี่หรอกมันออกไม่ได้เพราะอะไรนอกบ้านมีแต่ผีเกเรเต็มเลย มันไม่มีฤทธิ์อะไรไม่ได้ปฏิบุติปฏิบัติธรรมไม่อะไรเนี่ยไม่มีไม่มีฤทธิ์ไม่มีบุญไม่อะไรเนี่ยมันออกนอกบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าผีเขานอกเนี่ยมันจะเกเรเต็มไปหมดเลยเออในโลกของผีมีแต่ผีนักเลงเต็มไปหมดเลยมันกลัวเขามันสั่นเข้าไปอยู่ในห้องดําอ่ะห้องห้องมืดอ่ะไปนั่งสั่นอยู่ในในซุกนัในห้องนั้นน่ะแล้วคิดดูดิใครจะรู้ว่ามันไปนั่งซอกเนี่ยซอกมืดอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรจะกินไปไหนก็ไม่ได้แล้วจะอยู่อย่างไงในโลกอย่างนั้นอ่ะ นั่งสั่นกลัวเขาไปหมดเลยมิจฉผีเกเร เ, เต็มไปหมดเลยนอกบ้านอ่ะในโลกของผีเนี่ยมันก็เป็นผีเกเรเยอะเลยเป็นเป็ดไอ้พวกเปดที่มันมีฤทธิ์มีอำนาจที่มันใช้เวทมนตร์คาถาอาคมทําร้ายเขาเนียเป็นก็ไปเกิดเป็นผีเป็นเปดไปตกนรกแล้วมันเป็นผีเป็นเปดก็มีเพราะนั่นแหะเอ้ยมันก็เลยในโลกอ่ะนะมันผีเกเรก็มีเยอะแล้วตัวเองไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีบุญบารมอะไรจะคุ้มครองไม่มีเหนือเขาได้เดียวเขาเกเรตายกลัวเขาไปหมดเลยแล้วไปนั่งร้องไห้ ซ่อนตัวจุ่มปุ๊กอยู่นั่นเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วสลดสองเวทจะไปเป็นอย่างนั้นเลยสละกมันไปซะ ท, ทิ้งซะรา่างกายเนี่ยมันจะได้หายตัวไปเป็นมนุษย์ล่องหนไปเลยเหมือนกับพระโคติกาพระโคติกาฟังธรรมพุทธเจ้าเข้าใจแล้วพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟังพระโคก็ติกาเข้าใจและวแต่ตอนนั้นยังไม่รู้อราหันต์แต่มันเป็นมะเร็งสมัยน่าจะเป็นมะเร็งถ้าเราจำไม่ผิดนะนะมะเร็งในกระดูกนี่เนี่ยมันปวดทุกทรมานแสสาหัสทุรนทุราย ต้องทำยังไงเอามีดมนเชื่อดอตัวเองเลยยมทูตก็มาบอกกุฎเจ้าว่ายมาทูตสองตนมั้งมาบอกกุฎเจ้าว่าเนี่ยพระโคติกาจะฆ่าตัวตายแล้วให้รีบไปห้ามพระเจ้าไม่ได้ไปพระเจ้าก็รู้อยู่เพราะอะไรเพราะเจ้าเล็งยาแล้วว่าถ้าพระโคติกาอย่างไงก็ต้องตายแน่นอนวันนี้แต่ตายถ้าถ้าปล่อยให้ตายไปเองอ่ะตายฟรีแต่ถ้าเชื่อขอตายจะบรรลุอรหันต์ก็เลยปล่อยให้เชื่อดคอตายเลือดนองมาโอ้ย สลดสังเวชว่ะสังขารไม่เจียงบรรลุอรหันต์เลยแล้วก็ตายพอตายเสร็จโยมทูตก็จะเอาวิญญาณไปพอมารอเฝ้าแล้วนี่อ่วิญญาณหายตัวไปแล้วอหาไม่เจอไปอยู่ไหนเนี่ยวิญญาณของพระโกธิกาหายไปไหนขณะเชื่อคอตายตอนน่าตาหาวิญญาณไม่เจอก็ไปก่าบทูลถามพุทธเจ้าว่าวิญญาณพระโพธิกายไปดูไหนเนี่ยหาหาไม่เจอจะไปลงโทษซะหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสว่า พระโกติกะบรรลุอรหันต์แล้วในขณะที่เชือดคอจิตวิญญาณดับไปเหมือนด่งไฟสิ้นเชื้อหรือเหมือนด่งเปลวไฟเทียนที่ที่อยู่ต่อหน้าแล้วถูกเปล่าดับพึบหายไปอย่างนี้ไปเป็นอย่างนั้นดีกว่าตั่นแนยคือเราแตแท้ดั้งเดิมเป็นแท้เราเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นดีกว่าจะให้เขาลากเราไปทําไมแล้วก็บาปกรรมก็ให้ผลได้ด้วย หายตัวไปดีกว่ายึดต้นยึดหนี้เว้ยมีแต่ความทุกข์ในปัจจุบันก็ทุกข์ตายแล้วก็ไปเป็นผีกี้ทุกข์อยู่เนี่ยเราเห็นแล้วเราเบื่อมากเลยอันนี้มันมนทิก็เป็นลูกศิษย์เราด้วยมันทีศก็เป็นงานของคนอื่นเราไปเราจะขึ้นไปเผาศพเอาออกมาจานไปวางโอ้ยมันก็นยโยมปทุมก็ลากเขาอยู่เนี่ย น, น, นี่ก็สู้ไม่ยอมไปอันนี้ก็ลากดึงนี้อันนี้ก็ดึงอยู่นี้เนี่ยดึงกันไปดึงกันมาขวางหน้าลงศพไอ้ไอ้ที่จะ เอาไอ้ดอกไม้จันไปวางหน้าเตาเตาเผาศพเลยเนี่ยเราก็วางไม่ได้อคุณหนุ่มไม่เห็นแต่เราเห็นไงเราเลยวางไม่ได้้ยให้เราวางดอาไว้จันทำไมได้ล่ะชักกระเยาะก็อยู่นี่แหละนี่เราก็วา่าอืมเดี๋ยวลอก่อนให้เราให้พรเขาหน่อยแผ่ไม่ตายเขาหน่อยเราก็แผ่ไม่ตาให้แต่เนี่ยบุญกุศลไม่ได้ซ่า ก, กันไว้อ่ะพอเราแผ่ไม่ตาให้เราตั้งใจ แผ่เมตตาให้พนทุก็พนทุกกะที่พนทุกพนทุกเฮ้ยเราก็อยากเห็นมั้มีความทุกข์กันต่อหน้าต่อตาเราอย่างนี้อพนทุกพนทุกเฮ้ยเราตั้งใจแผ่ยังไงมันเหมือนกันอะไรวะคนที่สมัยก่อนที่เขาเขาเขาาสุบุหรี่แล้วเขาเป่าควันออกไปอย่างเงี้ยเป่าไปไปหาอีกคนอย่งสมมตินะเป่าเป็นวงเป่าเป็นอะไรไปหาอีกคนอย่งเนี้ยนี่เพราะเป่าไปนะคล้ายๆกับว่าไอไอลมมันแรงอ่ะไอไอควันบุหรี่อะมันก็หายหมดมันไม่ถึงเขาเราแผ่เมตตาให้ตายเนี่ย มันก็หายไปกาอากาศไ ม, ไม่ถึงเขาหรอกหายไปหมด